1.14 การที่ร่างกายจิตใจมันทำอะไรแล้วเรารู้ทันเรียกว่าปฏิบัติวงเล็บเปิดสพฤศจิกายน2 5 5 0ันาในวงเล็บสองจุดจุดนาที45วงเล็บปิดการที่เราไม่ได้ปฏิบัตินะแต่ว่าพอใจนึกถึงปฏิบัติแล้วมันทำแล้วเรารู้ว่าทำนั่นก็ปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่การทำอะไรแต่ว่าร่างกายจิตใจมันทำอะไรแล้วเรารู้ทันเรียกว่าปฏิบัติ